นอนเป็นบ้ามองไม่เห็นจะโทษใครที่ไหนมามองถูกท่าทุกก็คลายสลายเอง <ut> ท่านพุทธทาสพิคุถ้าหากว่า ในขณะปัจจุบันนี้เ่ารู้จักมองมองในปัจจุบันมองอนาคตมองอดีตถ้ามองด้วยสติจะเป็นการมองที่มีคุณภาพมากคุณภาพทั้งด้านสมมุติแล้วก็ของจริงแต่ยังนับต่อไปสักประมาณสามวันเรามองโดยสมมุติแล้เราจะรู้ว่าจะมีวันวันหนึ่งซึ่งเป็นวันสำคัญ ในทางพระพุทธศาสนาวันอะไรท่านผู้ฟังทราบไหมถ้าไม่ทราบก็เชยนะก็คือวันวิสาขาบูชาไงเป็นวันสำคัญวันหนึ่งแหละก็คือเป็นวันประสูตรตัสรู้แล้วก็สเสด็จดับขันทัปรลินิพานขององมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในฐานะที่พวกเราก็เป็นพุทธบริษัทเราต้องมีการบูชากันในวันนั้น ตัว่าเป็นวันพระใหญ่เลยก็ว่าได้เราอาจจะบูชาโดยการอาบิสบูชาหรือปฏิบัติบูบชาก็ได้อาบิสบูชาก็คือบูชาโดยถวายทานถวายเครื่องหอมดอกไม้ส่วนปฏิบัติบูชาก็คือไปปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาหรือการไปทํากรรมฐานไปเจริญวิปัสนา ไปทำสมาธิไปถือศีลคำว่าไปเนี่ยที่บ้านก็ได้นะมันจะเป็นต้องที่วัดที่บ้านเราก็ทําได้แต่วันนั้นส่วนมากาก็จะไปรวมกันที่วัดไปอาบิสบูชาบูชาด้วยสิ่งของแล้วก็ปฏบิบัติบูชาโดยการทําสมาธิถือศีลเจริญภาวนาจเจริญสติแต่ว่าสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเน้นมากเลย ก็คือการปฏิบัติบูชาท่านสันเสริญในการปฏิบัติบูชามากเราจะไปเวียนเทียนเราก็ไปได้ส่วนมากจะเป็นวันที่คนชอบไปเวียนเทียนกันในตอนค่ำค่เราสามารถที่จะบูชาได้ตั้งแต่เช้ายันค่ําเลยนะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระท่เราหลับไปเราสามารถปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสันเสริญมากง่ายๆเพียงแต่เรา ลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยจะให้เรารู้สึกตัวทันทีเลยรู้สึกตัวเนี่ยเนการปฏิบัติบูชานะในการเจริญสติคนเราสมมติว่เวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยมักจะคิดมักจะเผลอไปอความคิดถูกความคิดมันนําไปคิดเรื่องอดีตวันวานที่ผ่านมามีอะไรค้างขาใจก็เก็บเอามาคิดครุ่นคิดหมกมุ่นอยู่ในความคิดที่มันผ่านมาแล้ว เรื่องราวต่างๆที่เราประทับใจอาจจะเป็นประทับในใจในทางที่เราไม่ชอบก็ได้หรือประทับใจสิ่งที่เราชอบใจก็เก็บเอามาคิดแต่ที่จะเจริญสติเป็นการเจริญความคิดหรือเก็บเอาความฝันซึ่งฝันมาสดๆร้อนๆเมื่อคืนที่ผ่านมาอ๋อเก็บเอามาครุ่นคิดมันจะเป็นจริงไหมมันจะบอกเหตุให้เราถูกต้องหรือเปล่านเนี่ยไปเชื่อความฝันคิดแต่เรื่องความฝันันเสียเวลาเน่ยาขาดสติแหละ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 เรทันควันมันคิดปั๊บอ๋อมันคิดไปแล้วเรารู้สึกว่าจิตมันคิดไปแล้วมันก็ได้สติได้ความรู้สึกตัวแล้วอาจจะนอนพลิกมือเล่นๆก่อนเอพลิกมือหงายรู้สึกพลิกมือคว่ำรู้สึกตัวพลิกมือหงายให้รู้สึกตัวนอนพลิกมือเล่นๆสัก่อนก็ได้บนที่นอนเดี๋ยเพิ่งรีบเป็นไหนจะรีบเป็นชีวิตของเรารู้จักควบคุมควบคุมกายควบคุมจิตด้วยความรู้สึกตัว อาจจะมีคำบริกรรมบางก็ได้แต่ว่าคำบริกรรมนี่นี่ไม่ใช่เรว่าคิดเอานะรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ใช่ความคิดจะให้ดีนะเรามารู้สึกตัวเป็นคำบริกรรมเลยหมายถึงว่าเอาจิตเข้าไปสัมผัสกับการที่มันเคลื่อนไหวของมือปิกมือเอาความรู้สึกเข้าไปสัมผัสเลยว่าอ๋อนี่มันอาการไหวๆตึงๆ เ, เคลื่อนหยุดๆเอาจิตเข้าไปสัมผัส กับความรู้สึกตัวจริงๆไม่ใช่ใช้คําบริกรรมมารู้สึกตัวรู้สึกตัวซึ่งนั่นก็เป็นความคิดหมกมุ่นในความคิดเอาความรู้สึกตัวไปเป็นคําบริกรรมสัมผัสลงไปเลยรัดเข้าไปสู่ความรู้สึกตัวเลยคําบริกรรมทั้งหลายก็เพื่อตรงเนี้จะพุโทโธยุบหนอพองหนอนับหนึ่งสองสาก็เพื่อเนี้ยบริกรรมเพื่อรู้สึกตัวแต่เราเนี่ ย, ยกระดับสักหนะ่อข้าไปสู่ความรู้สึกตัวเลย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 คิดปับ๊บอ๋อนี่ลงไปละให้รู้สึกตัวทันทีถ้าเรามีความรู้สึกตัวเสมอๆในการใช้ชีวิตชีวิตจะไม่ผิดพลาดนะจะผิดน้อยที่สุดเนยะบางทีไม่ผิดเลยบางทีมันจะผิดอ้อมันรู้ตัวซะก่อนก็มีได้ก่อนจะผิดเนี่ยอันนี้ก็มีมากการหลงลืมสติการพลาดต่างๆเนี่ยเพราะขาดความรู้สึกตัวทั้งนั้นถ้ามีความรู้สึกตัวแล้วชีวิตจะปลอดภัยมั่นใจได้ ยุ่งจะเป็นระเบียบเรียบร้อยในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยยิ่งเราทําให้ต่อเรื่องยิ่งดีใหญ่เลยตั้งแต่เช้าเนี่ยในตอนกลางวันให้มีปัจจุบันอยู่กับความรู้สึกตัวเนี่ยจนกระทั่งถึงเวลาละ่ะคนเรามันต้องมีเวลาหลับเวลานอ น, นในช่วงเย็นช่วงค่าเรารู้สึกตัวมาแล้วบางทีมันเผลอมันลงไปก็ปล่อยไปตรงไหนที่เรารู้สึกตัวได้ก็เอาตรงนั้นละคว้าความรู้สึกตัวมาใหม่กระทั่งก่อนเราจะหลับ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 จนนอนไม่หลับทั้งคืนก็มีนะมันทําให้จิตใจเราไม่ได้พักผ่อนแม้ร่างกายอาจจะได้พักผ่อนก็ตามแต่ถ้าใจยังครุ่นคิดไปแนวโน้มต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้พักผ่อนก็ไม่ได้หลับถ้าจะคิดก็คิดให้จบซะ ก, ก่อนแล้วก็นอนถึงเวลานอนแล้วพอเล่าไละวแค่นี้พอนล้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่อะไรนะให้มีสติอยู่กับปัจจุบนันอยูกการนอนอย่าไปคิดอะไรคิดจบแล้วก็จบกันสําคัญนะอาจจะพลิกมือเล่นก็ได้พลิกมืองอรู้สึก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 เรามั่นใจไหมบางทีมันไม่ตื่นนะเพราะนั้นอย่าประมาทในช่วงก่อนจะหลับนี่แหละสำคัญมากจิตก่อนจะหลับให้มีความรู้สึกตัวตาไปด้วยอย่าไปกาะติดกับความคิดวางความคิดซะกลับอยู่ความสึกตัวนอนพลิกมือเล่นกันนะพลิกมือเล่นอ๋อมันคิดแล้วคิดกรู้ว่ามันคิดทิ้งไปกลับมาอยู่กับการเคลื่อนไหวปลอดภัยบางทีอาจจะคิดอีกแล้วก็รู้อีกอ๋อนี่มันคิดเนี่แล้วกลับอยู่กับการเคลื่อนไหว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 พยายามเสริมสร้างความรู้สึกตัวตั้งแต่ลืมตาตื่นจนทั้งหลับตาไปเบื้องต้นก็ให้รู้สึกตัวในถ้ากลางก็ให้รู้สึกตัวจนทั้งวาระสุดท้ายการเย็จะหลับจะนอนก็ให้รู้สึกตัวมีสคํารรมานั้นนะคือรู้สึกตัวเนี่ยเป็นการปฏิบัติบูชาในทั้งวันวันที่เราอาจจะไปเวียนเทียนถ้าเราไปเวียนเทียนเนี่ยถือวเป็นการปฏิบัติบูชาเหมือนกันแต่ถ้าเวียนเทียนแบบจิตใจหลงลืมสติ เผลอคิดฟุงศ่านอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการปฏิบัติบูชาถ้าไปเวียนเทียนแล้วก็ไปเวียนเทียนแบบรู้สึกตัวด้วยจึงจะเป็นการปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นชีิตทั้งวันเนี่ยอย่าลืมสารธรรมรู้สึกตัวพระพุทธองค์ทรงสอนธรรมะเอาไว้มากมายแปดหมื่นสี่พันพุทธมรรคหลายเลยแต่สรุปลงแล้วก็คือมีพระวินัยปีดกพระสุตตันตปีดกพระอภิธรรมปีดก พระวินัยปิฎกว่าด้วยเรื่องศีลสิส่ขาคือศึกษาเรื่องศีลวินัยส่วนพระสุตตันตปิฎกนั้นคือศึกษาเรื่องจิตจิตสิกขาส่วนพระอภิธรรมปิฎกนั้นศึกษาเรื่องปัญญาปัญญาสิกขาอามคำสรุปลงที่ความไม่ประำมหันความไม่ปร้ำก็คือการอยู่อย่างรู้สึกตัว3มความรู้สึกตัวเนี่ยสรุปตัวปฏิบัติทั้งหมดเลย วิธีการปฏิบัติธรรมแบบไหนก็ตามจะมารวมลงที่ความรู้สึกตัวเมื่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยพระไตรปิฎกแปดหมืพันพระธรรมขันธ์กระเทือนเลยนะกระเทือนลงที่ความรู้สึกตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นพวกเราปฏิบัติบูชาจําไม่ได้3ามคำเนี่ยารู้สึกตัวเข้าถึงตัวนี้เข้าถึงในการปฏิบัติให้สิ่งที่เรานําเอาไปปฏิบัติบูชาก็คือรู้สึกตัวสคําทําไม่ได้สําคัญนะ สามคำบรรลุธรรมคือรู้สึกตัว